ฉักกนิบาตหนึ่งอาวาริยวัคหมวดว่าด้วยบิดาของนางอาวาริยาหนึ่งอาวาริยชาดกว่าด้วยบิดาของนางอาวาริยาฤสีโพธิสัตว์กล่าวสอนพระราชาอยู่ทุกๆวันว่าขอถวายพระพรมหาปพิธผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอพระองค์อย่าทรงพิโรธเลยมหาปพิธผู้เป็นจอมทัพ ขอพระองค์อย่าทรงพิโรธเลยพระราชาผู้มีทรงพิโรธต่อผู้ที่โกรธย่อมเป็นที่บูชาของชาว แ, แว่นแคว้นอาตมาภาพพร่ำสอนในที่ทุกสถานเือทั้งในหมู่บ้านในป่าในที่ลุ่มหรือในที่ดอนขอถวายพระพรมหาบาพิษผู้จอมทัพขอพระองค์อย่าทรงพิโรธเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงนเรือผู้โง่เขลาว่า ที่แม่น้ำคงคาได้มีคนแจวเรือแจ้งชื่ออวาริยปิตาเขารับส่งคนข้ามฝากก่อนแล้วจึงขอค่าโดยสารภายหลังเพราะเหตุนั้นเขาจึงมีการทะเลาะวิวาทกับคนโดยสารจึงไม่เจริญด้วยโภคะทั้งหลายเรืศีโพธิสัตว์บอกถึงเหตุที่จะให้โภคะเจริญแก่ในเรือนั้นว่าพ่อเรือแจ้งท่านจงขอค่าโดยสารกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้นก่อนซิ เพราะว่าใจของคนที่ข้ามฟากไปแล้วเป็นอย่างหนึ่งใจของคนที่ต้องการจะข้ามฟากเป็นอีกอย่างหนึ่งเรืศีโพธิสัตว์สอนในเรือนั้นอีกว่าอาตมภาพพร่ำสอนในที่ทุกสถานคือทั้งในหมู่บ้านในป่าในที่ลุ่มหรือในที่รอนพ่อเรือจ้างขอท่านยอย่าโกรธเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พระราชาได้พระราชทานบ้านสวยเพราะอนุสาสนีบทใดเพราะอนุสาสนีบทนั้นแหละคนแจวเรือแจ้งจึงได้ตกปากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสข้อความสุดท้ายว่าทาใสอาหารก็ตกแตกแล้วพันญาก็ถูกทำร้ายและเด็กที่เกิดในคันก็แทงตกลงมาที่ภาคพื้นเขาไม่อาจจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นจากโอวาสนั้นได้ เหมือนเนื้อไม่อาจจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นจากทองคํเอาวาริยชาดกที่หนึ่งจบสองเซตะเกตุชาดกว่าด้วยเซตะเกตดาบทพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกสอนมานพเซตะเกตผู้เป็นหัวหน้าสิทธิ์ว่าพ่อเอ๋ยเจ้าอย่ากโกรธเพราะความโกรธไม่ดีเลยที่ที่เจ้ายังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ยินมีอีกมากพ่อเสตะเกตมานดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญอาจารย์ว่าเป็นทิศเบื้องขวาครหัตถวายข้าวน้ำและผ้ากล่าวนิมนต์ผู้ใดแม้ผู้นั้นพระอริยะทั้งหลายย่อมเรียกว่าเป็นทิศเบื้องบนเสตกเกตทิศนี้เป็นทิศที่ยอดเยี่ยมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์ถึงแล้วย่อมเป็นสุข พระราชาทรงเห็นดาบ ท, ทั้งหลายบำเพ็ญตะบะผิดจึงตรัสสนทนากับปุโรหิตว่าชดินเหล่าใดนุ่งห่มหนังสัตว์ที่ขรุขระมีขี้ฟันเคราะร่างกายสกปรกสาธยายมนอยู่ชดินเหล่านั้นประกอบหน้าที่การงานของมนุษย์จะรู้แจ้งโลกนี้แล้วพ้นจากอบายได้หรือปุโรหิตกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาหากบุคคลถึงจะเป็นพระหูสูตร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 พระเวททั้งหลายเป็นสิ่งที่ไร้ผลจรณะธรรมพร้อมทั้งความสำรวมเท่านั้นเป็นสัจจะปุโรหิตเรียกกล่าวว่าพระเวททั้งหลายจะไร้ผลก็หาไม่จรณะธรรมพร้อมทั้งความสำรวมเท่านั้นเป็นสัจจะเพราะบุคคลบรรลุพระเวททั้งหลายแล้วย่อมได้เกียรติบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วด้วยจรณะธรรมย่อมบรรลุความสงบเสตเเยตุชาดกที่สองจบ สามทรีมุขาชาดกว่าด้วยพระทรีมุขปัจเจกขพุทธเจ้าพระปัเจกขพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพรหมทัตว่ากามทั้งหลายเสมือนเปลือกตมเสมือนหล่มก็ภายนี้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นมูลเหตุแห่งภัยสามประการกามทั้งหลายคือทุลีและควันอาตมภาพก็ได้ประกาศไว้แล้วขอถวายพระพรพระเจ้าพรหมทัต ขอมหาปพิธจงละกามเหล่านี้ออกพนวดเถิดพระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสบอกความที่พระองค์พวัวพันดึกยีเลสว่าท่านพราหม์โยมกำนัดยินดีและหมกมุ่นอยู่ในกรามทั้งหลายประสงค์จะมีชีวิตอยู่อย่างนี้จึงไม่อาจจะละกามอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้แต่โยมจะทำบุญทั้งหลายให้มาก พระตรีมุขะปะเจกพะพุทธเจ้าตรัสสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าผู้ใดอันบุคคลผู้หวังความเจริญอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลกล่าวสอนอยู่ก็ไม่กระทำตามคำสอนผู้นั้นสำคัญแต่สิ่งที่ตนยึดถือว่านี้เท่านั้นประเสริฐเป็นคนโง่ย่อมเกิดในคันบ่อยๆเขาย่อมเข้าถึงนรกอันน่ากลัวเต็มไปด้วยอุจระและปัสสาวะที่ไม่งามสาหรับผู้งาม สัตว์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังมีความกำหนัดในการมทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นก็ยังละความเกิดในคันไปไม่ได้พระธรีมุขปะปเจลกับพุทธเจ้าทรงหวังจะแสดงเหตุที่พ้นจากคัน์จึงตรัสหนึ่งคาถาครึง่งและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสครึ่งพระคาถาสุดท้ายว่าสัตว์เหล่านี้คลอดออกมามีกายแปรเปลี่นด้วยอุจจาระด้วยเลือดและเสมหะในขณะที่คลอด สัตว์เหล่านี้มีร่างกายสัมผัสส่วนใดๆส่วนนั้นๆทั้งหมดล้วนไม่น่าชื่นใจเป็นทุกอย่างเดียวอาตมาเห็นแล้วจึงถวายพระพรมิใชัยได้ยินมาจากคนอื่นแล้วจึงถวายพระพอรอาตมายังระลึกอดีตชาติได้มากอีกด้วยพระธรีมุขปะปัเจ ก, กับพุทธเจ้าได้ให้พระราชาผู้ทรงปริชาญาณยอมรับด้วยคาถาสุภาสิทิอันวิจิต ธริมุขาชาดกที่สาจบ 4. เนรุชาดกว่าด้วยอนุภาพของภูเขาเนรุโงงน้องชายของพญาโงงโพธิสัตว์สนทนากับพี่ชายว่ากาปาก็ดีฝูงกาธรรมดาก็ดีพวกเราผู้ประเสริฐกว่านกทั้งหลายก็ดีพอมาถึงภูเขานี้แล้วเป็นเหมือนกันหมดราชสีกก็ดีเสือโคร่งก็ดี สุนักจิงเจอกก็ดีหมูเนื้อก็ดีพอมาถึงที่นี่แล้วก็เป็นเหมือนกันหมดภูเขานี้ชื่ออะไรพญาหงโภทิสัรกร่า ว, ว่ามนุษย์ทั้งหลายรู้จกักภูเขาที่ยอดเยี่ยมลูกนี้ว่าเนรุเพราะสัตว์ทุกชนิดอยู่ที่ภูเขาลูกนี้จะกลายเป็นสีทองเหมือนกันหมดหงน้องชายที่ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าสถานที่ใดคนดีไม่ได้รับการยกย่อง ซ้ำถูกดูหมิน่นแต่กลับยกย่องคนเลวสถานที่นั้นไม่ควรอาศัยอยู่เลยสถานที่ใดคนเกียจคร้านคนขยันคนกล้าหาญและคนขาดได้รับการบูชาสถานที่นั้นคนดีไม่อยู่เหมือนภูเขาที่ไม่ทำความแตกต่างกันภูเขาในรุนนี้ไม่แยกคนเลวคนดีคนปานกลางคือไม่กระทำให้แปลกกันอย่ากระนั้นเลย เราสละภูเขาเนรุนี้ไปเถิดเนรุชาดกที่สี่จบหอาสังกชาดกว่าด้วยอาสังกากุมาริกานางอาสังกากุมาริกากราบทูลพระราชาว่าเถาวันชื่ออาสาวดีเกิดแล้วในอุทยานจิตรดาวันเถาวันนั้นพันปีจึงจะออกผลหนึ่ง แม่นานถึงเพียงนั้นจึงจะมีผลถวยเทพก็ยังพากันไปเยือนอุทยานนั้นหนึ่งเนืองข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงหวังไวเ้เถิดเพราะว่าความหวังที่ยังมีผลเป็นความสุขปักษาทิชาชาติยังมีความหวังอยู่ร่ำไปความหวังของมันที่มีอยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้นก็ยังสำเร็จได้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงหวังไวเ้เถิด เพราะว่าความหวังที่มีผลเป็นความสุขพระราชาตรัสบอกเหตุที่จะไปกับนางอาสังกากุมาเรกาว่าหลอนให้ฉันเ อ, อิบอิ่มด้วยคำพูดเช่นนั้นหาให้ฉันเ อ, อิบอิ่มด้วยการกระทำไม่เหมือนดอกงอนไก่มีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นผู้ใดเมื่อไม่ให้ไม่เสียสละโภคทรัพย์ดีแต่พูดคำอ่อนหวานซึ่งไม่มีผลในมิตรทั้งหลายความสัมพันธ์ของผู้นั้นกับมิตรย่อมจืดจาง ควรพูดถึงแต่สิ่งที่ควรทําไม่ควรพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทําคนไม่ทําดีแต่พูดบัณฑิตย่อมรู้ทันกําลังของเราหมดสิ้นแล้วหนาะสเบียงก็ไม่มีสงสัยจะตายเป็นแน่อย่ากระนั้นเลยเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละพระนางอาสังกากุมาริ ก, กาเทวีได้สดับพระราชดํารัสนั้นจึงกราบทูลว่าคําว่าอาสังกา นั่นแหละเป็นชื่อของหม่อมฉันข้าแต่มหาราผู้จอมทัพขอพระองค์ทรงคอยก่อนหมอมฉันขอบอกลาบิดาก่อนอาสังกะชาดกที่ห้าจบ 6. มิคาโลปะชาดกว่าด้วยนกแรงมิคาโลปะพญาแรงโพธิสัตว์เรียกลูกมาอบรมว่ามิคาโลปะพ่อไม่พอใจเลยที่เจ้าบินไปเช่นนั้น ลูกเอ๋ยเจ้าบินสูงเกินไปเลยขอบเขตของพวกแรงไปแล้วเมื่อใดแผ่นดินปรากฏแก่เจ้าเสมือนแปลงนาสี่เหลี่ยมลูกเอ๋ยเมื่อนั้นเจ้าจงกลับจากที่นั้นอย่าบินเลยที่นั้นไปแม้นกเหล่าอื่นที่มีปีกเป็นยานพาหนะบินไปในอากาศสําคัญตนว่ายั่งยืนถูกแรงลมพัดพินาศแล้วก็มีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า นกแรงมิคาโลปะไม่เชื่อฟังคำสอนของแรงอปรรณนะพ่อผู้เท่าบินผ่านลมกาละไปตกอยู่ในอำนาจลมเวรามพาลมกรดลูกเมียของมันและนกแรงเหล่าอื่นที่อาศัยมันเป็นอยู่ทั้งหมดก็ถึงความพินาศเพราะนกที่ไม่ทำตามโอวาตัวเดียวผู้ใดในโลกนี้ไม่เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่ทั้งหลายประพฤติเกินขอบเขตย่อมเดือดร้อน เหมือนนกแร้งที่ละเมิดคำสอนชนทั้งหลายย่อมถึงความพินาศทุกคนเพราะไม่กระทำตามคำสอนของท่านผู้รู้มิคาโลปชาดกที่6จบ 7. สิริกาลกันนิชาดกว่าด้วยสิริกับกาลกันนีเษธีโพธิสัต ส, สนทนากับกาลกันนีเทพธิดาว่า ใครหนอมีผิวพรรณดำทั้งไม่น่ารักไม่น่าดูเธอเป็นใครเป็นลูกสาวของใครฉันจะรู้จักเธอได้อย่างไรกาลกันณีเทพธิดากล่าวว่าดิฉันเป็นลูกสาวของท้าวิรูปักขามหาราชเป็นคนโหดร้ายมีผิวดำไร้ปัญญาเทพทั้งหลายรู้จักดิฉันว่ากาลกันณีดิฉันขอท่านจงให้โอกาสดิฉันขออาศัยอยู่ในสำนักของท่าน เซธีโพธิสัตว์กล่าวว่าเธอตกหลงปลงใจในชายผู้มีปกติเช่นไรมีความประพฤติเช่นไรแม่กาลีฉันถามแล้วเธอจงตอบฉันจะรู้จักเธอได้อย่างไรกาลกันนีเทพธิดาได้บอกคุณของตนว่าชายใดมักลบหลู่คุณท่านตีเสมอแข่งดีริษยาตรณีและโอโอวดทำทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้พินาศไปดิฉันรักใคร่ชายนั้น กาลกัรณีเทพธิดากล่าวต่อไปว่าชายใดมักโกรธผูกโกรธพูดซ้อเสียดมักทำลายมิตรภาพมีวาจาเสียแทงพูดวาจาหยาบคายดิฉันรักใคร่ชายนั้นยิ่งกว่าชายคนแรกชายที่ไม่รู้จักประโยชน์ของตนว่างานนี้ควรทำวันนี้งานนี้ควรทำพรุ่งนี้ถูกสั่งสอนก็พานโกรธซ้ำยังดูหมิ่นคนที่ดีกว่าตัว ชายได้มัวเมาด้วยการเล่นเป็นประจำทั้งยังกําจัดมิทั้งหมดไปเสียดิฉันรักใคร่ชายนั้นจะมีความสุขกับเขาพระโพธิสัตว์ติเตียนกาลกันนีเทพธิดานั้นว่าแม่กาลีเธอจงไปจากที่นี่เสียเถิดเรื่องเช่นนี้ไม่มีในพวกเราเธอจงไปยังชนบทนิคมและราชธานีอื่นๆเถิดกาลกันนีเทพธิดาได้ฟังดังนั้นไม่พอใจจึงกล่าวว่า เรื่องนั้นแม่ดิฉันก็ทราบดีว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีอยู่ในพวกท่านแต่คนโง่ทั้งหลายที่รวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจํานวนมากก็ยังมีอยู่ในโลกส่วนดิฉันและเทพพี่ชายของดิฉันทั้งสองคนช่วยกันพลานทรัพย์นั้นจนหมดสิน้นพระโพธิสัตว์เห็นสิริเทพธิดาจึงกล่าวว่าใครหนอมีผิวพันทิปยืนเรียบร้อยอยู่บนแผ่นดินเธอเป็นใครเป็นลูกสาวของใคร ฉันจะรู้จักเธอได้อย่างไรสิริเทพธิดาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคถาที่สองว่าดิฉันเป็นลูกสาวของท้าวทตราะมาหาราชผู้มีสิริดิฉันชื่อสิริลักษมีเทพทั้งหลายรู้จักดิฉันว่าเป็นผู้มีปัญญาดังแผ่นดินดิฉันขอท่านจงให้โอกาสดิฉันขออาศัยอยู่ในสำนักของท่านเซธีโพธิสัตว์กล่าวว่า เธอตกลงปลงใจในชายผู้มีปกติเช่นไรมีความประพฤติชเช่นไรแม่ลักษมีฉันถามแล้วเธอจงตอบฉันจะรู้จักเธอได้อย่างไรสิริเทพที่ดากล่าวว่าชายใดชนะอันตรายทั้งปวงได้คือความหนาวความร้อนลมแดดเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานความหิวและความกระหายได้ทำการงานทุกอย่างติดต่อตลอดวันตลอดคืน ไม่ทำประโยชน์ที่เป็นไปตามการให้เสื่อมเสียไปด้วยดิฉันพอใจชายนั้นและจะตกลงปลงใจกับเขาชายใดไม่มักโกรธเป็นกลยานามิตรเสียสละสมบูรณ์ด้วยศีลไม่อ้อวดซื่อตรงสงเคราะห์มีวาจาไพเราะอ่อนหวานถึงจะเป็นใหญ่ก็ถ่อมตนดิฉันจะเป็นหญิงมีสิริอันไพบูรณ์ในชายนั้นเหมือนคลื่นที่ปรากฏแก่ผู้มองดูท้องทะเล อีกอย่างหนึ่งชายใดสงเคราะห์บุคคลทั้งที่เป็นมิตรหรือศัตรูทั้งชั้นสูงเสมอกันหรือต่ำกว่าทั้งที่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับชายใดไม่พูดจาหยาบคายไม่ว่าในการไหนไหนดิฉันจะเป็นของชายนั้นถึงแม้จะตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตามบุคคลใดไร้ปัญญาได้สิริที่น่าใคร่แล้ว ลืมคุณความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาคุณความดีที่ได้กล่าวแล้วเหล่านั้นดิฉันเว้นบุคคลนั้นซึ่งมีสภาพร้อนรนประพฤติไม่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนคนที่มีนิสัยรักความสะอาดเว้นห่างไกลหลุมคูดบุคคลย่อมสร้างความมีโชคด้วยตนเองย่อมสร้างความไม่มีโชคด้วยตนเองคนอื่นจะทาความมีโชคและความไม่มีโชคให้คนอื่นหาได้ไหม สิริกาลกันนิชาดกที่เจ็ดจบ 8. กุกุตตะชาดกว่าด้วยไก่โพธิสัตว์นางแมวไปยังโคนต้นไม้ที่ไก่เกาะอยู่แล้วอ้อนวอนว่าพ่อไก่งอนแดงผู้มีขนปีกงดงามท่านจงลงมาจากกิ่งไม้เถิดฉันจะยอมเป็นพัญญาของท่านโดยไม่คิดมูลค่าไก่โพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า แม่นางแมวรูปงามเธอเป็นสัตว์สีเท้าส่วนฉันเป็นสัตว์สองเท้าแมวตัวเมียกับไก่ตัวผู้ไม่ควรจะรื่นรมยินดีกันฉันสามีพัญญาเธอจงหาสามีอื่นเถิดแมวได้ฟังดังนั้นคิดหาอุบายใหม่กล่าวว่าฉันจะเป็นพัญญาสาวของท่านที่พูดจาอ่อนหวานน่ารักขอท่านจงรับฉันผู้เลอโฉมผู้เป็นสาวพรหมจารีไว้ ด้วยการรับอันดีงามเถิดไกโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วคิดจะขู่ไล่แมวให้หนีไปจึงกล่าวว่านางโจรผู้ขินซากศพดดิมเลือดเจ้าเบียดเบียนไก่ต้องการเราเป็นผัวไม่ใช่ด้วยการได้อันดีงามหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าหญิงผู้มีวาจาประกอบด้วยองค์สี่เห็นชายมีทรัพย์ก็ล่อลวงนำไปด้วยการพูดจาอ่อนหวาน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 รรมัทธะชาดกว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัยกาเรียกนกทั้งหลายมากล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกท่านจงประพฤติธรรมเถิดจงประพฤติธรรมเถิดพวกท่านจะมีแต่ความเจริญเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านกทั้งหลายเมื่อไม่รู้จึงพากันสรรเสริญกาถุศีนั้นว่าการนี้เจริญจริงหนอ ประพฤติทำได้ยอดเยี่ยมยืนด้วยขาข้างเดียวสอนธรรมอยู่พญานกโพธิสัตว์เรียกฝูงนกมาสั่งให้คอยจับกาว่าพวกเจ้าไม่รู้ปกติของมันเพราะไม่รู้จึงพากันสรรเสริญมันมันกินทั้งไข่และลูกอ่อนแล้วพูดว่าธรรมะธรรมะมันพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอย่างหนึ่งมันประพฤติรมแต่ปากแต่กายไม่ประพฤติรำเพราะฉะนั้นมันจึงชื่อว่าไม่ทรงธรรม มันปากหวานรู้ใจได้ยากแซงทําตัวว่ามีธรรมเป็นธงชัยเหมือนงูเหา่าซ่อนตัวอยู่ในรูให้เขายกย่องว่าเป็นผู้ดีทุกบ้านทุกตําบลคนทุศีนประเภทนี้คนโง่รู้ได้ยากพวกท่านจงใช้จะงอยปากปีกและเท้าจิกตีกาตัวนี้ทําให้กาเลวซามพินาศไปกาตัวนี้ไม่สมควรอยู่ร่วมกับพวกเรา ธรรมัตชะชาดกที่9จบ 10. นันทิยมิขาราชะชาดกว่าด้วยพญาเนื้อนันทิยะพ่อแม่ของเนื้อนันทิยะโพธิสัตว์ต้องการจะเห็นลูกจึงส่งข่าวถึงลูกว่าพ่อพราหมณ์ถ้าท่านไปป่าอัญชันเมืองสาเกตช่วยบอกเนื้อลูกชายในไส้ของข้าพเจ้าที่ชื่อนันทิยะด้วยว่าพ่อแม่ของเจ้าแก่เท่าปรารถนาจะพบเจ้า เนือนันทยโพธิสัตว์ประกาศข้อความนี้ว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าได้กินหญ้าน้ำและข้าวของพระราชาก้อนข้าวของพระราชานั้นข้าพเจ้าจะไม่พยายามกินให้เสียเปล่าข้าพเจ้าจะหันข้างให้พระราชาผู้ทรงถือธนูเมื่อนั้นข้าพเจ้าจะพึงพ้นความตายได้รับความสุขพบเห็นพ่อแม่ได้บ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า เมื่อก่อนเราได้เป็นพญาเนื้อสีเท้ามีรูปงามชื่อนันทิยะอยู่ที่ประทับของพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลได้เสด็จมาที่อัญชนามรกะทายวันทรงกงธนูสอดลูกสอนเพื่อจะฆ่าเราเราได้หันข้างให้พระราชาผู้ทรงเหนียวธนูพระองค์นั้นเมื่อ น, นั้นเราจึงพ้นความตายได้รับความสุขมาพบพ่อแม่นันทิยะมิคราชชาดกที่สิบ อาวาริยวักที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อาวาริยชาดก 2. เซตะเยตุชาดก 3. ทริมุขาชาดกสเนรุชาดก 5. อาสังกชาดก 6. มิคาโลปชาดก 7. สิริกาลกันนิชาดก 8. กุ ก, กุตตชาดก 9. ธรรมัตชาชาดกสิ 10. นันทิยมิขราชาชาดก 2. อค<ม>ราบุตรตะวักหมวดว่าด้วยมาเกิดแต่ลา 1. นครบุตระชาดก ว่าด้วยม้าสินทบลูกลาม้าสินทบกล่าวกับแพ้เท้าส ก, กะจำแรงว่าได้ยินว่าเป็นความจริงที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงแพ้ว่าเป็นสัตว์โง่ดูเอาเถิดสัตว์โง่ไม่รู้จักกรรมที่ควรทำในที่ลับหรือที่แจ้งแพ้เท้าส ก, กะจำแรงกล่าวว่าเจ้าม้าเพื่อนยากเจ้าจงรู้เถิดว่าเจ้าช่างเป็นสัตว์โง่จรงิง เพราะเจ้าถูกสนตภายจนปากคดหน้าควา่าเพื่อนความโง่ของเจ้าอีกอย่างหนึ่งคือถูกเขาปล่อยแล้วไม่หนีไปเพื่อนเอย๋ยแต่พระเจ้าเสนากะที่เพื่อนลากไปโง่กว่าเจ้าเสียอีกม้าสินทัฟังคำของแพะจำแรงแล้วจึงกล่าวว่าพญาแพะเพื่อนยากท่านรู้เหตุที่เราโง่แต่พระเจ้าเสนากะโง่เพราะเหตุอะไรเราถามแล้วเจ้าจงบอกเหตุนั้น แพทเท้าสศักกะจำแรงบอกว่าผู้ใดได้ประโยชน์สูงสุดแล้วจะยกให้พัญญาด้วยการยกให้นั้นเขาจะต้องสละตนส่วนพัญญานั้นจะไม่เป็นพัญญาของเขาอีกแพ้เท้าสศักกะจำแรงกล่าวอีกว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนบุคคลผู้เช่นกับพระองค์มาทอดทิ้งตัวเองด้วยคิดว่าเรามีสิ่งอันเป็นที่รักย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลาย เพราะตนแลประเสริฐกว่าและยังประเสริฐกว่าสิ่งอันเป็นที่รักชั้นยิ่ยมบุรุษสังสมประโยชน์แล้วก็จะพึงได้พัญญาอันเป็นที่รักในภายหลังคระปุตตะชาดกที่หนึ่งจบ ส, สูจิชาดกว่าด้วยเข็มช่างทองโพธิสัตว์ยืนใกล้ประตูเรือนของหัวหน้าช่างทองอธิบายเรื่องเข็มว่า ใครต้องการจะซื้อเข็มที่ไม่ขรุขระไม่หยาบขัดด้วยหินแข็งมีรูร้อยได้เรียบร้อยเล่มเล็กและปลายคมบ้างช่างทองโพธิสัตว์อธิบายเรื่องเข็มนั้นอีกว่าใครต้องการจะซื้อเข็มที่เกลี้ยงเกลามีรูร้อยได้เรียบร้อยกลมกลึงตลอดเล่มเจาะทะลุทั่งได้และแข็งแกร่งบ้างนางกุมาริกาพูดกับช่างทองโพธิสัตว์ว่าเดี๋ยวนี้ เข็มและเบ็ดถูกนําออกไปจากหมู่บ้านนี้นี่ใครกันต้องการจะขายเข็มในหมู่บ้านช่างทองศา ส, สตราก็ออกไปจากหมู่บ้านนี้การงานชนิดต่างๆจํานวนมากย่อมเป็นไปด้วยอุปกรณ์จากหมู่บ้านนี้นี่ใครกันต้องการจะขายเข็มในหมู่บ้านช่างทองช่างทองโพธิสัตว์ฟังคําของนางกุมาริกานั้นจึงกล่าวว่าคนที่ฉลาดรู้อยู่ คือมาขายเข็มในหมู่บ้านช่างเหล็กอาจารย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่างานนั้นทําดีหรือไม่ดีนางผู้เจริญถ้าบิดาของเธอรู้เรื่องเข็มเล่มนี้ที่ฉันทําแล้วจะต้องเชื้อเชิญฉันด้วยตัวเธอและทรัพย์สินอื่นๆที่มีอยู่ในเรือนนี้สูจิชาดกที่สองจบ 3. ตุนทิละชาดกว่าด้วยตุนทิลสุกรโพธิสัตว์ จูละตุนทิละสุกรบอกเหตุที่ตนเห็นมาว่าวันนี้นายแม่ของเราเปลี่ยนอาหารให้ใหม่รังข้าวมีอาหารเต็มบริบูรณ์นายแม่ก็ยืนอยู่ใกลๆ้ๆคนจำนวนมากก็ยืนถือบ่วงอยู่ฉันไม่อยากกินเลยมหาตุนทิละสุกรโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเจ้าสะดุ้งกลัวหัวหมุนมองหาที่พึ่งไปใหญ่เจ้าไม่มีที่พึ่งหรอกจะหนีไปไหนกัน ข้ตุนทิละอย่าดิ้นรนไปเลยกินเสียเถิดพวกเราถูกเขาขุนเพื่อต้องการเนื้อเจ้าจงลงสู่ห้วงน้ำที่ไม่มีโคลนตม้มชำระเงือและมนทินทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วถือเอาเครื่องรูปไลรชนิดใหม่ที่มีกลิ่นหอมไม่จางหายไปในการไหนๆจูละตุนทิละสุกรถามว่าอะไรหนอคือห้วงน้ำที่ไม่มีโคลนตมอะไรเล่าที่เรียกว่าเงือและมนทิน และอะไรเล่าคือเครื่องรูปไร้ชนิดใหม่ที่มีกลิ่นหอมไม่จางหายไปในการไหนไหนมหาตุนทิละสุกรโพธิสัตว์กล่าวว่าธรรมะคือห้วงน้ําที่ไม่มีโคลนตมบาปเรียกว่าเหงือและมนทินอันหนึ่งศีลคือเครื่องรูปไร้ชนิดใหม่ที่มีกลิ่นหอมไม่จางไปในการไหนคนที่ฆ่าสัตว์ย่อมพอใจส่วนสัตว์ที่ถูกฆ่าย่อมไม่พอใจ ในคืนเดือนเพนแห่งวันอุโบสถสัตว์ทั้งหลายเช่นเรายินดีสละชีพตุนท่ละชาดกที่สามจบสสุวรรณกั ก, ะกะตะชาดกว่าด้วยปูทองที่ฉลาดกล้าด่างูว่าเราถูกปูทองซึ่งมีตาโปนออกมามีกระดูกเป็นนังอาศัยอยู่ในน้ำไม่มีขนหนีบแล้วร้องขอความกรุณาอยู่ เพื่อนเอย๋ยเพราะเหตุใดหนาท่านจึงละทิ้งเราไปพระศาสดาทรงแสดงข้อความนี้ว่างูผู้เป็นเพื่อนนั้นเมื่อจะป้องกันกาผู้เป็นเพื่อนจึงพ่นพิษพร้อมกับแผ่พังพานใหญ่ไปจนถึงตัวปูปูจึงได้หนีงูไว้อีกงูถามปูว่าก็ธรรมดาปูไม่ต้องการจะจับกา ก, ากินและไม่ต้องการจะจับงูเห่ากินท่านผู้มีตาโปนเราขอถามท่าน เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงหนีบเราทั้งสองไว้ปูจึงบอกเหตุผลที่หนีบกล่าวไว้ว่าชายนี้เป็นผู้หวังความเจริญแก่ข้าพเจ้าจับข้าพเจ้าแล้วนำไปที่แอ่งน้ำเมื่อเขาตายข้าพเจ้าจะมีทุกข์ไม่ใช่น้อยข้าพเจ้าและชายนี้ก็จะไม่มีทั้งสองคนอันหนึ่งชนทั้งมวลเห็นข้าพเจ้ามีร่างกายเจริญเติบโตมีเนื้ออร่อยมีเนื้อมากและมีเนื้อนุ่ม ก็ต้องการจะเบียดเบียนแม้กาทั้งหลายเห็นข้าพเจ้าแล้วก็พึงเบียดเบียนงูต้องการลวงปูจึงกล่าวว่าถ้าเราทั้งสองถูกหนีเพราะเหตุแห่งชายนี้ขอชายนี้จงลุกขึ้นข้าพเจ้าจะดูดพิษให้ขอท่านจงปล่อยข้าพเจ้าและกาโดยเร็วก่อนที่พิษอันร้ายแรงจะเข้าสู่ชายนี้ปูได้ฟังดังนั้นคิดอุบายได้แล้วจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะปล่อยงูแต่จะยังไม่ปล่อยกากาจะเป็นตัวประกันก่อนจนกว่าข้าพเจ้าจะเห็นชายนี้มีความสุขปราศจากโรคแล้วจึงจะปล่อยกาเหมือนปล่อยงูพระาศาสดาตรัสพระคถาสุดท้ายประชุมชาดอกว่ากาในกาานั้นคือพระเทวทัตส่วนงูเห่าคือมารปูคือพระอานนท์ส่วนพรามชโชคดีคือเราผู้เป็นาศาสดา สุวรรณะกะกะตะชาดกที่สี่จบ 5. ไมฮะกะสะกุลชาดกว่าด้วยนกไมฮะกะะฤาษีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่น้องชายว่านกไมฮะกะบินไปตามเนินเขาและซอกเขาจากที่ต้นเลียบซึ่งมีผลสุกแล้วเริ่มร้องว่าของกูของกูเมื่อมันบนเพ้ออยู่อย่างนี้ฝูงนกที่บินรวมกันมา ก็พากันจิกกินผลเรียบแล้วก็บินจากไปมันก็ยังคงบ่นเพ้ออยู่นั่นเองชันใดคนบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเก็บหอมรอมริบซัพ์ไว้เป็นจำนวนมากตนเองก็ไม่ได้ใช้สอยบางส่วนก็ไม่ได้แบ่งให้หมู่ญาติเลยเขาไม่ได้ใช้สอยหรือบริโภคสมบัติอื่นๆที่ตนมีอยู่แม้สักคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องมุ่งห่มอาหารมาเลย หรือเครื่องรูปไล้ก็ตามอันหนึ่งพวกญาติญาติเขาก็ไม่สงเคราะห์เมื่อเขาบ่นเพ้อว่าของกูของกูอยู่อย่างนี้ห่วงแหนอยู่พระราชาบ้างพวกโจรบ้างพวกทายาทไม่เป็นที่รักบ้างก็ฉกฉวยเอาซะไปคนผู้นั้นก็ยังคงบ่นเพ้ออยู่นั่นแหละส่วนนักปราดได้โภคะทั้งหลายแล้วย่อมสงเคราะห์พวกญาติ เพราะการสงเคราะห์นั้นเขาย่อมได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเขาจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ไมฮกะสะกุณชาดกที่หจบ 6. ปัปพาชิตะวิเหทะกะชาดกว่าด้วยผู้เบียดเบียนนักบวชพระราชาทรงเจรจากับวิทยาธรว่าท่านผู้มีรูปงามประนมมือนมัสการสมณรูปสามที่อยู่ข้างหน้า สมณะนั้นประเสริฐกว่าท่านหรือเสมอท่านขอท่านจงบอกชื่อของตนเองและชื่อของสมณะรูปนั้นท้าวสักกะโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าค่าแต่มหาราชทวยเทพทั้งหลายจะไม่เอ่ยชื่อและโคดของวิสุทธิเทพผู้ดำเนินไปแต่ข้าพระองค์จะบอกชื่อของตนแด่พระองค์ข้าพระองค์คือท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพชั้นไตรทศ พระราชาตรัสถามถึงประโยชน์ในการนอบน้อมภิกษุว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะแล้วให้ท่านอยู่ข้างหน้าประนมมือนมัสการอยู่ข้าแต่เทวราชข้าพระองค์ขอถามเนื้อความนั้นกับพระองค์ผู้นั้นจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ความสุขหรือเท้าสกกะโพธิสัตตร์ตอบว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะแล้ว ให้ท่านอยู่ข้างหน้าประนมมือนามส ก, การอยู่ผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์พระราชาทำลายความยึดถือผิดของตนได้แล้วทรงดีพระไทยจึงตรัสว่าวันนี้มิ่งขวัญได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วหนอที่ข้าพระองค์ได้เห็นเท้าวาสวะผู้เป็นจอมเทพข้าแต่เท้าสักกะข้าพระองค์เห็นภิกษุและพระองค์แล้ว จากทำบุญให้มากๆเท้าสักกะโพธิสัตว์ตรัสถมเชยบัณฑิตว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพู้หูสูดคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้ขอเดชะพระราชาพระองค์ทรงเห็นภิกษุและข้าพระองค์แล้วขอจงทําบุญให้มากเถิดพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพเพราะได้ฟังคําอันเป็นสุภาษิตของพระองค์ ข่าพระองค์จะไม่เป็นคนมักโกรธมีจิตผ่องใสอยู่เป็นนิดเป็นผู้ควรแก่การขอของแขกทุกคนจะกําจัดมานะแล้วกราบไหว้ท่านผู้ควรกราบไหว้ปาพชิตะวิเหตะกะชาดกที่หจบ 7. อุปสิงฆะปุพพชาดกว่าด้วยเรสีลักดมดอกไม้เทพธิดาองค์หนึ่งสถิตยอยู่ที่ข่าคบต้นไม้ ต้องการให้ฤาษีโพธิสัตว์สลดใจจึงกล่าวว่าท่านผู้นี้รัทุกข์การที่ท่านลักดมดอกบัวที่เขายัางไม่ได้ให้นั่นเป็นองค์แห่งการขโมยอย่างหนึ่งท่านชื่อว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นฤาษีโพธิสัตว์กล่าวว่าดอกบัวอาตมาไม่ได้ลักและไม่ได้หักดมอยู่ห่างเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นฤาษีโพธิสัตว์ เห็นบ e e ุรุษข in ุดเง่าบัวเก็บดอกบัวจึงกล่าวกับเทพธิดานั้นว่าชายใดขุดเอาเง่าบัวหากเอาดอกบัวขาวไปชายนั้นหยาบช้าอย่างนี้ทำไมไม่ถูกกล่าวหาเทพธิดาบอกสาเหตุที่ไม่ว่ากล่าวบุรุษนั้นว่าคนที่ทำงานหยาบช้ามากเป็นคนแปดเปื้อนเหมือนผ้านุ่งของหญิงเลี้ยงเด็กสาหรับชายคนนั้นเราไม่ว่าอะไรแต่ท่านเราสมควรจะว่ากล่าว บุคคลผู้บริสุทธิ์สแสวงหาแต่กรรมอันสะอาดอยู่เสมอความชั่วเท่าปลายขนทรายย่อมปรากฏเหมือนเท่าเมฆมอกฤาษีโพธิสัตว์ซึ่งเทพธิดานั้นให้สลดใจกล่าวว่านี่เทพผู้ควรบูชาท่านรู้จักอาตมาดีซ้ำยังได้อนุเคราะห์อาตมาด้วยขอท่านโปรดเตือนซ้ำอีกเมื่อเห็นความบกพร่องเช่นนี้เทพธิดากล่าวว่าเขาพเจ้าไม่ได้อาศัยท่านเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นลูกแจ้งของท่านท่านผู้เห็นภัยท่านเองนั่นแหละควรจะรู้จักกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติอุปสิงคะปุกพชาดกที่เจจก 8. วิขาสาธาชาดกว่าด้วยผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดนเท้าสักกะเทวราโพธิสัตว์จำแรงเป็นนกแขกเต้ามาอยังที่อยู่ของเหล่าดาบด เมื่อจะทำให้เหล่าดาบทนั้นสลดใจได้กล่าวว่าพวกคนกินเดนพากันอยู่สบายจริงหนอซ้ำได้รับการสันเสริญในปัจจุบันและมีสุขติในโลกหน้าดาบทรูปหนึ่งเรียกดาวบทที่เหลือมากล่าวว่าท่านบัณฑิตผู้ร่วมอุทธร์ทั้งหลายพวกท่านไม่สนใจที่จะฟังนกแขกเต้าพูดพวกท่านจงฟังคำของนกแขกเต้า นกแขกเต้าตั ว, ตวนี้กำลังสรรเสริญพวกเราเป็นแน่นกแขกเต้ากล่าวกับดาวบทเหล่านั้นว่าเขาพเจ้าไม่ได้สรรเสริญพวกท่านท่านผู้กินซากศพทั้งหลายพวกท่านจงฟังเขาพเจ้าพวกท่านเป็นผู้บริโภคอาหารที่เหลือทิ้งแต่ไม่ใช่ผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดนดาวบททั้งหลายฟังคำของนกแขกเต้าแล้วได้กล่าวว่าพวกเราโบสถ์มาแล้วเจ็ดพันสากล่าวมวยผม เลี้ยงชีพด้วยอาหารที่เป็นเดนอยู่ถ้ากลางป่าถ้าหากพวกเราเป็นผู้สมควรที่ท่านจะติเตียนแล้วพวกไหนเล่าเป็นผู้สมควรที่ท่านจะสรรเสริญท้าวสักกะเทวราชโพธิสัตว์ต้องการจะให้ดาบทเหล่านั้นเกิดความละอายจึงกล่าวว่าพวกท่านเลี้ยงชีพด้วยอาหารอันเหลือทิ้งของราชสีเสือโคร่งและเนื้อร้ายยังสําคัญตนว่าเป็นคนกินเดน เท้าวเธอเมื่อจะบอกข้อความนั้นแกดาบทเหล่านั้นจึงกล่าวคาถาที่หกว่าชนเหล่าใดให้อาหารแก่สมณนะพราหมณ์และวณิพกอื่นๆแล้วบริโภคอาหารที่เหลือชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นคนกินเดนวิคาสาธาชาดกที่8ดจบ 9. วัตกชาดกว่าด้วยนกคุ้มโพธิสัตว์นกคุ้มโพธิสัตว์ กล่าวต้อนรับกาโลเลว่าคุณลุงกาท่านกินอาหารอย่างดีทั้งเนยใสยและน้ำมันแต่ทําไมท่านจึงสู้ผอมเล่ากาฟังคําของนกคุ้มนั้นแล้วได้กล่าวว่าเมื่อกาอยู่ในถ้ำกลางสตรูแสวงหาเหยื่ออยู่ในหมู่สตรูนั้นมีใจหวาดกลัวอยู่เป็นนิดจะหาความมั่นใจได้ที่ไหนพวกกามีใจหวาดกลัวอยู่เป็นนิด ได้ก้อนข้าวมาด้วยกรรอันชั่วช้าจึงไม่อิ่มหนาพ่อนกคุ้มเพราะเหตุนั้นเราจึงสู้ผอมพ่อนกคุ้มเจ้ากินหญ้าและพืชอย่างเร็วมีโอชาน้อยแต่ทําไมท่านจึงอ้วนผีเล่านกคุ้มโพธิสัตว์บอกเหตุที่ตัวเองอ้วนว่าพวกนกคุ้มมักน้อยเพราะไม่คิดเรื่องอาหารและไม่ต้องไปหากินไกลเลี้ยงชีพด้วยอาหารตามมีตามได้ กาเอย๋ยเพราะเหตุนั้นเราจึงอ้วนพีเพราะคนมีความมักน้อยมีความสุขไม่ต้องพวงเรื่องอาหารกินอาหารที่พอเหมาะสมพอประมาณก็จะดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขได้วัตกะชาดกที่ 9. จบ1ิมณิชาดกว่าด้วยกาถูกกระเบื้องแขวนคอแทนแก้วมณี นกพิราโพธิสัตว์เห็นกาแล้วเมื่อจะย่อเ ย, อเยอ้ยจึงกล่าวว่านานแล้วหนอเราเพิ่งจะได้เห็นเพื่อนประดับแก้วมณีเพื่อนของเราให้ช่างตกแต่งขนปากงามจริงหนอกาได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าเรามัวยุ่งอยู่กับงานราชการเล็บและขนปีกจึงงอกยาวรุงรังเป็นเวลานา น, านจึงได้ช่างกระบบกถอนออกเสียจนหมดในวันนี้ นกพิราบโพธิสัตว์กล่าวว่าเจ้าได้ช่างกระบกที่หาได้ยากแล้วให้ถอนขนออกไปเพื่อนเอย๋ยเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเล่าทรงเสียงดังกริ่งกริ่งอยู่ที่คอของท่านกาได้กล่าวว่าผู้ดีทั้งหลายค่อยแก้วมณีไว้ที่คอเราเรียนแบบพวกเขาเจ้าอย่าเข้าใจว่าเราทำเล่นแม้หากเจ้าพอใจการตกแต่งขนปากที่นายช่างตกแต่งได้อย่างสวยงามอย่างนี้ เพื่อนเอย๋ยเราจะให้เขาช่วยตกแต่งให้ท่านและแก้วมณีเราก็จะมอบให้ท่านนกพิราภโพธิสซ์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านเท่านั้นสมควรแก่แก้วมณีและการตกแต่งขนปากอย่างสวยงามการไม่เห็นท่านเป็นที่พอใจของเราเราขอลาท่านไปก่อนมณิชาดกที่สิบจบคระบุตรวัที่สองจบ รวมชาดกที่มีในวรรมนี้คือ 1. นครพุตตะชาดก 2. สูจิชาดก 3. ตุนทิละชาดก 4. สุวรรณกัตตะชาดก 5. ไมหกะสกุะชาดก 6. ปปพัชิตะวิเหตกะชาดก 7. อุปสิงค์ะปุพพชาดก 8. วิคาสาธะชาดก 9. วัตตกะชาดก สิบมณิชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. อวาริยวักสอคระปุตตะวักชากนณิบาจบ